คือเป็นการปรับใจให้ยอมรับความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาสิ่งทหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาขของเาก็ปรับใจใยอมรับความจริงเ่านั้นจนสามารถถ่ายถอนความยึดมั่นหรือมั่นในสิ่งเรานั้นลงไปได้วิธีที่สองนั้นคือการมองให้เห็นโทษของสรรพกิเลสทั้งหลาย ว่าจะเป็นระดับยาบระดับกลางระดับละเอียดก็ตามและใช้ความเพียรพยายามที่จะลดละซึ่งบประงับบรรเทาดับกิเลสเหล่านั้นไปตามหลักการและวิธีการต่างๆวิธีที่4ซึ่งมีการสั่งสอนไว้น้อยเป็นการตั้งหมาเป้าเป้าหมายเอาไว้ ในการที่จะบรรลุผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาสิ่งเหล่านั้นที่จริงเรายังไม่ได้สัมผัสแต่ก็เป็นการตั้งเป้าหมายไว้เพื่อปลูกฝังความพอใจความเพียรพยายามความมุ่ง ม, มั่นที่จะสัมผัสผลเหล่านั้นวิธีที่สก็คือการอบรมกระทำกุศลธรรมให้บังเกิดขึ้นที่ท่านเรียกรวมอีกอย่างหนึ่งว่าภาวนา แต่บางอย่างจะทรงใช้เพียงสองคำคือปะ h a n ภาวนาคาว่าปหา a นั้นก็คือละความชั่วความชั่วนั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหลายที่ปรากฏทางกายทางประจา ก, ก็เป็นเพียงอาการของกิเลสเมื่อละตัวกิเลส ต, ตัวกิเลสองไปได้อาการความชั่วต่างๆก็สงบไปดับไป ความทุกข์ที่สืบเนื่องมาจากการกระทำความชั่วก็หมดไปท่านจะเห็นว่าในแง่ของอริยสัจก็คือเริ่มต้นที่สมุทัยสัตว์แล้วก็ดับสมุทัยความทุกข์ก็ดับซึ่งหมายความว่าโดยวิธีนี้นิโรธคือความดับทุกข์ก็เกิดขึ้นนั่นในาการปฏิบัติก็คงอาศัยการปฏิบัติาตามหลักมาก ในที่สองที่สงใจคำว่าภาวานาแปลว่าอบรมกระทําให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นได้แก่พวกความดีทั้งหลายที่สรุปรวมแล้วก็คือเรื่องของสมถภาวานาและวิปั ส, สนาภาวานาในส่วนนี้เป็นการพยายามเพิ่มพูนส่วนแห่งความดีขึ้นความดีกับความชั่วนั้นทรงแสดงว่าอยู่ทรงกันขํา คือไม่มีโอกาสที่จะบรรจบ ก, กันคล้ายๆกับฝั่งแม่น้ำสองฝั่งเมื่อแผ่นดินกับแผ่นฟ้าจะไม่มีโอกาสบรรจบ ก, กันเมื่อความดีปรากฏ ค, ความชั่วก็ต้องลดละไปตามปริมาณของความดีที่เพิ่มขึ้นตํางมองคล้ๆการต่อสู้กันระหว่างความเย็นกับความร้อนเมื่อปริมาณความเย็นเพิ่มขึ้นปริมาณความร้อนก็ต้องลดลงไปในจุดนั้น ยิ่งเป่มขึ้นมากเท่าไรความร้อนก็จะลดไปโดยลําดับจนถึงเป็นความเย็นที่แท้จริงเพราะนิพานบางครั้งท่านจึงแปลว่าเย็นแต่ความเย็นเหล่านั้นก็ที่จริงก็เริ่มมาจากศีลศีลบางทีก็แปลว่าเย็นเป็นลักษณะของความเย็นกายเย็นใจ เยีสายการประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่มีเวทไม่มีภัยกับใครๆก็มีความปร่งเบาสบายใจจะไปในที่ใดก็ไม่หวาดวิตกกังวลห่วงใ ย, ยว่าจะมีภัยอันตรายไปเกิดขึ้นตัวสมาธิเองในเชิงผลก็แปลว่าเย็นได้ก็ในขณะนั้นความเย็นก็เข้าไปถึงจิตเนื่องจากพวกบรรดากิเลสซึ่งมีลักษณะเป็นความร้อนสงบระงับไปส่วนนิพพานนั้นก็เป็นสุดยอดของความเย็น ที่ไม่มีกิเลสกําเริบขึ้นไปในใจอีกต่อไปในเรื่องของนิวรณ์ที่ได้กล่าวมาโดยลํา ด, ดับนั้นเป็นสังเกตว่าเป็นการสอนในมองเห็นโทษของกิเลสแล้วก็เปลี่ยนพยายามลดละอกนิวนรณ์ลดนั้นซึ่งหมายความมัก็เริ่มต้นมาจากสมุทัยสัตว์คือมองไปที่ตัวสมุทัยสัตว์พยาญาไม่ทราบชัดถึงความจริงที่ปรากฏภายในจิตของเราในแต่ละขณะ อย่าสังเกตว่านิวรณ์จะเป็นข้อใดก็ตามที่จริงแล้วไม่ใช่ตัวจิตนั่นเป็นสิ่งที่แปลกปลองเข้ามาภายในจิตที่ตั้งใช้คําว่าอาคันโตกะคือผู้มาเยือนหรือแขกที่มาเยือนบ้านแต่นั้นถ้าเรามองไปที่แขกบางาคนกังจะเห็นได้ชัดเพราะว่าแขกบางคนเราไม่ต้อนรับก็ได้แต่ต้อนรับไปแล้วเห็นไม่เหมาะไม่ควรก็เชื่ให้ออกไปได้ แต่แขกนั้นยังไงเขาก็มีวันออกไปด้วยตัวเขาเองเพรา น, นิวรณเองก็มีลักษณะอย่างนั้นถึงจุดหนึ่งไม่มีเหตุปัจจัยให้อยู่เขาก็ออกไปซึ่งผู้ปฏิบาตจะสังเกตได้ว่าความเดยวดรึกดึกนึกโดยอำนาจของการมัญชันเป็นตนนั้นที่จริงไม่ได้อยู่ยั่งยืนถาวรภายในจิตก็เกิดขึ้นแกตั้งอยู่กระดับไปด้วยเหตุปัจจัยในระดับหนึ่งใ้ทีสุดก็เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงไปนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงในตัวของนื้อวอนเองก็คือลดลงไปหรือจางไปกลายไปบางทีก็เพิ่มปริมาณของนื้อวอนให้มากยิ่งขึ้นแต่การที่ทรงอยู่สม่ำเสมอนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าก็เป็นสังขารยังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปแม้าจะไม่ใช้ความเพี่ยนพยายามอะไรถึงจุดหนึ่งเขาก็สงบไป แต่เนื่องจากใจมีความเสพคุณมีความคุ้นเคยกับหน้าต้องกินเละถ้าหากว่าไม่มีการประพฤติปฏิบัตินิวัน์นข้ออื่นสงบไปนิวัน์นข้อใหม่ก็เกิดขึ้นแทนและนิวัน์ข้อเดิมนั่นเองก็เกิดขึ้นอีก่วงหนึ่งเป็นต้นขั้นการสอนในแนวของการปฏิบัติก็ทรงสอนให้ดูอาการของจิตในแต่ละขณะตอนดูให้ประจักษ์แจ้งแก่จิตของตนถึงว่าจะตามหลักความจริงหรือค่อนข้างจะดูยากเพราะว่า โดยพื้นฐานปกติแล้วจิตใจของบุคคลนั้นจะรักตนถนอมตนแล้วก็เข้าข้างตนจนถึงับแก้ต่างให้แก่ตนจารที่ทรงแสดงไว้ว่าโทษของตนเห็นได้ยากโทษของบุคคลอื่ น, เ ห, นเห็นได้ง่ายตามปกติแล้วคนจะกรบกลื่อนโทษของตนเองในขณะพยายามเปิดเผยขยายโทษของบุคคลอื่นออกไป นันคือลักษณะโดยธรรมชาติพทางการที่จะมองเห็นจิตของตนในแต่ละขณะว่าประกอบด้วยนิวรณ์้าใดคนหนึ่งหรือไม่นั้นปริมาณของสติสัพพัญญญความเพียรจะต้องมีมากพอสมควรจะน้อยก็กร ะ, กะจัดความหลงตัวเองหรือความเข้าข้างตัวเองไปได้การเกิดคนิวรณ์ไม่ได้เกิดตามลำดับที่เรียง การเรียงเป็นเรื่องของภาษาเป็นเรื่องของอักษรซึ่งกินเนื้อที่แล้วก็มุ่งเรียงไปตามลาดับโลกกฎหลงเพราะว่าจิตใจของบุคคลที่เป็นอาการปรากฏภายในจิตผู้ปฏิบัติธรรมะจะสังเกตได้ตัวตัวเองว่านิวรณประเภทโลกนั้นจะมีกำลังมากชีวิตในแต่ละวันจะมีความปรารถนาไขวคว้ากสัญอยากําหนัดเพลิดเพลิพนแมทั้งหลายน้มาก เพราะการที่ปรากฏภายในจิตก็มีกวามฉันจุกมากส่วนปัญญาบาทบางครั้งถ้าหากว่าเราควบคุมจิตใจเราดีบางวันก็อาจจะไม่มีเลยก็ได้แต่ไม่ได้หมายความมาหมดพยาบาทเพียงแต่ว่าไม่เกิดขึ้นรุ่มรุมใจส่วนอยู่ระดับล่างก็ก็อยู่ของเขาแต่ว่าเมื่อไม่มีอารมณ์มากระทบจากข้างนอกหรือไม่มีการเหนียวนึกศึกนึกด้วยความพยาบาทความพยาบาทก็ไม่เกิดขึ้น โอทีน้ำมิทะความง่วงงาวหัวนอนซึ่งซึม ง, ง้อยเงาหดหูเคริบเครมจืดชื่อชาเย็นเหนื่อยหน่ายหมดอะไรตาอยากหรือสิ่งอะไรต่างๆจะเป็นอาการโอทีน้ำมิทะนั้นก็เกิดขึ้นเป็นวักเป็น เ, นเนวรเกิดบางครั้งบางคราวมากบางน้อยบ้างความพุ่งสัน้นจะมักจะสายไปในลมทั้งหลายแต่ใจไปกำหนัดเพลิดเพลินในเรื่องในเรื่องหนึ่งแล้วมันก็จะหมกมุ่นอยู่ในเรื่องนั้น แต่ความฟุ้งซ่านมันก็ฟุ้งซ่านอยู่แนวเดียวคือแนวของเรื่องที่เรากำหนดเพื่อเพื่นยึดติดความเครือนแร ง, รงสงสัยนั้นก็คงมีอยู่ปล่อยเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสเราจะมีส่วนหนึ่งที่เราไม่เข้าใจแล้วก็เกิดความเครื่อนแกร่งสงสัยในสิ่งเหล่านั้นจะมีการดิ้นรนแสวงหาความรู้ความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้น เพานจะเห็นว่าการเรียนเป็นการเรียงตามระดับโลกโกรธหลงไม่ได้เรียงตามละดับการเกิดภายในจิตของบุคคลการเกิดคนนิ้วันนั้นก็ขึ้นอยู่กับจิตใจมันโน้มเอียงไปในทางไหนคือหนักไปในทางใดบ้างนิวรณ์ก็นั้นก็จะมีอิทธิพลเหนือจิตบุคคลนั้นเช่นบุคคลมีปกติชอบใจพอใจยินดีกำนัลเพลิดเพ ล, นเพลินในอารมณ์ทั้งหลายอยู่มากยิเลยประเภทกรรมาฉันก็เกิดขึ้นมาก คนบางคนมีใจเป็นแผลคือกระทบกระทั่งอะไรไปบ่อยแล้วก็โกรธงุหงิดเก็บอารมณ์เหลนั้นเอาไว้มากอารมณ์ในแนวนี้ก็เกิดขึ้นมากบางครั้งจะโกรธแมลล้ฝนตกฝนแรงแดดออกน้ำท่วมเสียงดังฝุ่นหรือลมพัดมาเปน็นต้นคือโกรธได้ทั้งนั้นก็แสดงว่าจิตใจมันมีแผลและขนาดใจที่มีแผลก็คือกระทบอะไรที่กระทบอะไรหน่อยก็เจ็บก็ปวดแล้ว แล้วบางคนนั้นมีลักษณะของโมหะจริตหรือวิตกจริตอาการก็จะออกมาซึมๆเรื่อย ๆ, อๆเฉยๆมื่อลอยฟุ้งซ่านสั้นๆไปในรงมทั้งหลายแล้วก็ไม่ปักใจขวังใจลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เครียบแลงสงสัยไปเรื่อยๆจะเห็นว่ายันนี้ก็อยู่กับพื้นจิตหรือจริตของบุคคลนั้นอีกต่อนหนึ่งวันอีวั น, น, นก็ใดจะเกิดใครมากมันก็อนิยายไม่ได้ ขึู้กับจริตของเขาผู้ที่น้มเอียงไปทางราคะจริตปัสธาจริตแนวของกามาฉันนิวรณ์ก็เกิดมากปุตติหนักไปในโทสะจริตพทุทธิจริตอกิเลสประเภทโทสะก็เกิดขึ้นมากปุตติใจที่หนักไปในทางพวกมิตกจริตพวกวิจิกิสาความคุ้งซ่านก็เกิดขึ้นมาก ดังนั้นถ้าหากว่าดูตัวเองได้ชัดเจนว่าตัวเองมีพื้นจริตเรื่องอัจฉริยะใอย่างไรบ้างแล้วก็จะรู้จิตในแต่ละวันจะก็จะเห็นได้ตามความเป็นจริงว่านิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งมันเกิดมากเป็นพิเศษก็เถือนิวรณ์ตัวนี้จะเป็นอันตรายเพระกัดกร่อนทำลายจิตใจให้ทุกพพ ล, ลภาพคือมีกำลังอ่อนลงโดยดั่งดับการจะแก้ไข ก็สรงแสดงกรรมฐานข้อต่างๆเอาไว้อย่าในกลุ่มของนิวรณ น, นั้นก็สรงสอนให้ดูเพระนิวรณ์ที่เกิดนั้นมันเกิดมาจากอะไรให้เราสังเกตว่าเป็นเรื่องจิตที่สายไปโดยขาดปัญญาเป็นเครื่องควบคุมแต่นั่นเองเพราะอารมณ์เหล่านั้นที่จริงก็คือสักแต่ว่าอารมณ์ รูปกสักแตว่รูปเสียงก็สักแต่ว่เสียงกลิ่นก็สักแต่ว่กลิ่นรสก็สักเตว่รสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็สักแตว่เย็นร้อนอ่อนแข็งมีลักษณะที่เราเห็นได้ชัดก็ต่างคนต่างอยู่คือจิตเราก็จิตเราอารมณ์ก็อารมณ์แต่แม้อารมณ์โหล่านั้นมากระทบต่งตางๆหูจมูกลิ้นกายใจก็เถอะแต่หากว่าเราไม่ไปให้ความต้องการแก่เขาเช่นไม่รู้สึกว่าเขาด่าเราหรือแม่รู้สึกขเขาด่าเราแต่เราไม่รับ เราไม่สนใจไม่ใส่ใจคำด่านั้นก็สักแต่ว่าคำด่าคือบางครั้งก็อาจจะแปลงมาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ได้เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านด่าว่าท่านตำหนิทีเจียนแทนที่จะโกรธเราคำด่าเหล่าดันมาเป็นครูมาสั่งสอนมาให้สำเนีกที่จะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองที่เป็นเอตท่านตาหนิทีเจียนเราก็หาประโยชน์จากคาด่าได้ทำไป แต่พิธีคำด่าที่สักแต่ว่าคาําด่าก็มีอยู่จํานวนไม่น้อยที่เราไม่ใส่ใจไม่เหนียวนึกไม่ตึกนึกด้วยอำนาจของความโกรธความโกรธความพยาบาติก็มไม่เกิดขึ้นภายในใจเพราะรบเรื่องเพราะปราบเรื่องโดดนั้นเช่นคำด่าของเด็กเล็ก ๆ, ๆที่ก็ไร้เดียงสาหรือคําด่าของคนบ้าของคนเมาของคนที่ผิดปกติต่างๆแม้จะด่าเราก็เสอะ เรารู้ว่าด่าเราแต่เราไม่รับเราไม่ถือสาก็ปล่อยก็ไปใจเราก็ไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงเพราะในแนวการปฏิบัติบางครั้งพระเจ้าเขาไม่พูดตรงนั้นแต่พูดว่าระวังจิตเราข้างนอกเราระวังเขาไม่ได้อารมณ์ยั่วยวนก็คืออารมณ์ยั่วยวนอารมณ์ยั่วยุก็คืออารมณ์ยั่วยุเราจะบังคับไม่เขาไม่ยั่วยวนไม่ยั่วยุไม่ไหน การแก้ไขปัญหาจึงแก้ที่ใจเราไม่จะไปแก้ที่ตัวเขาไม่ได้ไปทําลายอรารมณ์ข้อ น, นี้เพื่อสังเกตว่าถ้าแก้ผิดแล้วจะมีปัญหาทันทีเชนสมมติว่ามีอารมณ์หรือมีใครมา ย, ยุยุให้เราเกิดความโกรธความไม่พอใจเราก็ไม่พอใจในบุคคลเหล่านั้นที่มาโ ย, ยุยุเราเราก็โกรธเราอาจจะลงมือประทุษร้ายเกณฑ์ฆ่าทำลายทุกตีและความบาดเจ็บเป็นต้นอย่างที่ คนซึ่งขาดการควบคุมจิตใจก็ทำกันแล้วต่อมาคนนั้นสมมติว่าตายไปเลยก็ เ, เพียงแต่ว่าตายเร็วขึ้นเท่านั้นเองเพราะว่าความตายที่จริงมันปกติธรรมดามันชีวิตเกิดมาก็ต้องตายเราไม่ฆ่าเขาก็ตายเราฆ่าเขาก็ตายไม่มีใครจะรอดพ้นความตายไปได้แต่ว่าการกระทำชั่วนั้นที่จริงไม่ใช่เป็นสภาวะธรรม เราไม่ได้เกิดมาเพื่อการกระทําชั่วการกระทําชั่วไม่ได้อยู่ภายในจิตใจของเราตลอดไปมันเป็กแคความแก่เราแก่อยู่ทุกกระความตายเราก็ตายอยู่ทุกกณะมันแยกจากเราไม่ได้เขามากับเราก็เกิดร่วมกับเราแล้วก็ก็ไปกับเราแต่พวกอกุศลกรรมทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถกดเว้นได้แล้วก็คุมได้แล้วก็ไม่กระทาได้ ตนเวลากระทาไปแล้วปรากฏว่าแทนที่คนคนนั้นจะมีปัญหาเราก็มีปัญหามากกว่าเขาดังนั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าไม่อยู่ที่ใจไปให้ความสําคัญใจไปกําหนดอารมณ์หล่อนั้นแต่ละข้อก็จงจะทรงแสดงเหตุว่าเพราะกิเลสประเภทกําหนัดรักใคร่พอใจกระสันอยาก ค, ควยคว้าปรารศนาแสวงหาอารมณ์เหล่อนั้นมาครอบครองด้วยความกำหนัดเพลิดเพินยินดีนั้นที่จริงแล้ว มันเกิดขึ้นจากใจเราไปกำหนดว่ารูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะกลิดนนั้นหอมรสนั้นอรอยสัมผัสน่าจะต้องแล้วก็อยากดูอยากฟังอยากกรี๊ดอยากดมอยากจักต้องอิเล่ยมันเกิดในจุดนี้หรือจุดที่การกำหนดจุดที่การ ข, าขา่อยคว้าแล้ลักษณะมันก็รุนแรงกันไประดับเป็นควายควา้ามีปรารถนาเมื่อคนอื่นยื้อแย่งก็มีการต่อสู้บางครั้งก็รุนแรงก็กลายเป็นความโกรธการแตกแยกทำลายล้างกัน บางครั้งก็ไปแย่งกันจนไม่มีคนได้เพราะของที่แย่งนั้นแตกทำลายไปหรือมีคนที่สองที่สามมาแย่งไปเป็นต้นอย่างที่พูดว่าเรื่องตาหยุาตะอินก็เป็นตัวอย่างให้เห็นในการเคลื่อนไหวของกิเลสที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมในสุดแย่งกันไปแย่งกันมาคนจะได้มากกว่าด้านก็ประกฏเราไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่า กิเลสมันเพิ่มขึ้นไม่ใช่มีเฉพาะโลโดยมันโกรธด้วยแต่ในขณะที่โลด ก, กัโกรธก็เพิ่มขึ้นเนี่ยความหลงก็เพิ่มขึ้นด้วยผลปฏิบัติการของคนจะแรงขึ้นกว่าเดิมแรงขึ้นกว่าในช่วงที่มีเฉพาะความอยากอย่างเดียวอาการเหล่านี้ก็เป็นที่ประจักษ์แก่ใจของบุคคลทั้งหลายภาพภาพต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์บ้างข่าวโทรทัศน์บ้างข่าววิทยุบ้างก็จะเห็นเรงว่า อาการกิเลสนั้นไปเกิดขึ้นจากการกําหนดเขาในกิเลสประเภทนี้พระเจ้าทรงใชาา้คำว่าสุภานิมิตคือกําหนดหมายว่าสวยงามพอสวยงามจิตมันเริ่มแล่นเข้าสู่กระแสของกิเลสได้มีความเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายและทางจิตทางพฤติกรรมออกมาโดยดําดับอย่างที่ทรงแสดงไว้ในที่หนึ่งว่าบุคคลเมื่อมีความคิดว่าสวยงามไปรูปใสยเสียงไปร้อกริอนอมเป็นต้น ก็จะก่อให้เกิดการไม่สํารวมระวังกินรี่คือตาจะสายไปเพื่อดูรูปหูจะสายไปเพื่อฟังเสียงจมูกจะสายไปเพื่อสูดกลิ่นลิ้นจะสายไปเพื่อลิ้มรสกายจะสายไปเพื่อจับต้องเหยียดนอนอ่อนแข็งที่จริงพวกนี้ก็ถูกบังคับด้วยจิตคือจิตไว้ไปกําหนดด้วยความกําหนัดขึ้นภาษ า, าทสัมผัสเหล่านั้นก็ถูกบังคับให้สายไปด้วยความคิดให้เราตั้เกตถ้าจิตไม่สายจิตไม่ถูกควบคุมบังคับด้วยความรู้สึกเหล่านั้น ตาหัวจะมงดึงกายก็ไม่สายบางการที่จิตสายก็ทำให้กระตาหัวจะมกงดึงกายสายตอนนี้ล้วนแต่แล้แต่เกิดจากการกำหนักขอให้เกิดการไม่สำรวมระหวังอินทรีย์จากนั้นจะเป็นอะไรสงสัยกันว่จาจะไม่รู้จักประมาณในการบริโรคภคพัฒตาหาร ที่จริงจะไม่รู้จักประมาณในการดูในการคว่างในการสูดดมในการลิ้มในการจับต้องแต่ในที่นี้ทรงเน้นเพียงอย่างเดียวว่าไม่รู้จักประมาณในพัฒนาการคือจะบริโภคอาหารมากไปแล้วไขว่คว้าปรารถนารสชาติอาหารที่นี่ที่ตนกําหนดว่าอรอ่อยอร่อยบางที่ในอาหารเหล่านั้นเองเราสังเกตว่าทั้งๆ ท, ท, ที่เราไม่ได้กินเรากําหนดว่าผลไม้นี้สวยดีขนมนี้สวยดีหรือว่ากลิ่นหอมดีทั้งๆ ท, ท, ที่กลิน่นที่รูปไม่ได้กินเข้าไป แต่ก็ไม่ได้อิ่มอะไรแต่ว่าบางก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความอยากรับประทานบางทีไปติดใจในรูปของอาหารเหล่านั้นบางทีไปติดใจในกลิ่นของอาหารเหล่านั้นบางทีไปติดใจในรสของอาหารเหล่านั้นบางทีก็ดูน่าจับน่าต้องเห็นไหมว่าประสาทสัมผัสของเราคือตาหูจมูกลี้ยกายมันก็ถูกบังคับให้มาตอบสนองลิ้นแต่จริงๆแล้วเรารู้รสชาติของสิ่งเหล่านั้นด้วยลิ้น ไม่ได้รู้ด้วยตาด้วยหูด้วยด้วยจมูกด้วยกายแต่ว่าเป็นการรู้ด้วยลิ้นเอาก็จริงแล้วปรากฏว่ามีการปรุงแต่งปรุงแต่งเพื่อยั่วยวนให้เกิดความกำหนัดเพลิดเพลินดีหน้าดูหน้ากินหน้าดมหน้าจับต้องหน้ารับประทานก็ว่าไปใจิตใจมันก็กระสันอยากในอรรมร์นั้นนพอถึงจุดหนึ่งใจิตใจก็จะอ่อนไหว ความเพียรพยายามที่จะลดละความชั่วประพฤติปฏิบัติความดีก็หย่อนลงความเพียรพยายามที่เคยมีเคยเป็นก็หย่อนตามไปจิตใจของบุคคลก็อ่อนไหวง่ายให้ลองสังเกตว่าคนที่เก็บสะสมอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้มากๆ ม, มันจะเป็นอย่างน้นเพราะเลยจึงพบพฤติกรรมต่างๆของบุคคลที่ปรปตกค่าแล้วเข้าบาเข้าครับไปเรื่อยๆกาบึกดึืด่น หรืบางคนก็มีลักษณะรุนแรงมองหน้ากันหน่อยเดียวชกต่อกันแล้วยิงกันแล้วฆ่ากันตายแล้วดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเช่นั้นที่จริงทั้งสองฝ่ายนะั้นมีการสะสมกิเลสในแต่ละกลุ่มไว้มากพวกกลุ่มแรกก็กสะสมสะสมกิเลสประเภทราคะประเภทโลภไว้มากจิตใจมันถูกผลักมันหนักไปในทางนั้นที่เรียกว่าโน้มเอียงน้น้มน้อมเข้าไปหาอารมณ์ดอดนั้น ในสุดมาถึงจุดหนึ่งให้ลองสังเกตว่าต้องเป็นนี่เป็นถิ่นต้องหยิบจึงมคนอื่นและบางทีก็ประสบภยัยประสบอันตรายทอดทิ้งครอบครัวปุตปัญญาสามีพ่อแม่เป็นต้นเพื่อเป็ น, นปลื้มตุนเองเพื่อหาความสงบความสนุกสนานในเกตตนเองแสดงว่าทั้งหมดทางนั้นทั้งนี้เป็นเรื่องของใจที่ไปกําหนดอารมณ์ด้วยความกําหนัดแต่กําหนดมากๆแต่มันก็โน้มเอียงไปในทางนั้นมากก็เรียกว่าหนักในราคาจจรัดจิต พวกปะยาบาดพวกมือปืนพวกชอบก่อการทะเลาะวิวาทพวกอะไรต่างๆที่มันแรงๆนะก็มีลักษณะอย่างนั้นคือจิตใจเขามีแผลใครกระทบนี้กระทบหน่อยไม่ได้มีความบาดระแวงมองหน้าก็ไม่ได้ถ้าตีถ้าต่อยกันแล้วเราเดินสวนกันไม่เดียวกระทบกันเดียวก็โ ก, ก, กรธแล้วแต่แมันเปราะบางจิตใจก็เปราะบางพวกนั้นที่จริงไม่ใช่เป็นคนฆ่าหานแต่ว่าเป็นคนขาดเป็นคนแพ้ต่อหน้าของกิเลส ดังนลักษณะเรานี่เองที่ท่านพูดว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมาซึต์หมายความว่าเวลามีการท้าทายลักษณะรุนแรงเนี่ยเราไม่โตอตอบในความรู้สึกของชาวโลกว่าแพ้แต่ในแง่ของธรรมะคือชนะเพราะเลยพระบรรดาชนะทั้งหลายนั้นชนะเราอื่นนั้นจะเพิ่มพูนภัยเวรอันตรายความมีตกกังวลความหกลงให ย, ยความบาดระแวงต้องป้องกัน ร, ราคาตนเองด้วยวิธีการต่างๆ แต่ถ้าชนะตนเองได้แล้วยุติปัญหาทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงว่าชนะตนเองนั้นเป็นของประเสริฐที่สุดแต่ละคนอื่นนั้นจะกลับแพ้ได้และแม้ในขณะที่ยังไม่แพ้ก็จะเป็นการก่อเวรให้แก่บุคคลอื่นคนอื่นก็มุ่งจะจองร่างจองผลาญโทษต่อจะอยู่ที่ไหนจะไปในที่ใดก็มีแต่ความมีตัวกังวลหวงใหญ่หาความสงบสุขไม่ได้ ต้องสิ้นเปลือเงินทองไปเพื่อจ้างมือปืนเพื่อจ้างคนคุ้มกันอะไรต่างๆอย่างที่พวกเเห็นกันทางนี้จะเกิดสืบเนื่องมาจากจิตไปกําหนดอารมณ์เป็นประการสาคัญพระจิตทักษณะอ่อนไหวเหล่านี้พระเจ้าจึะทรงอุปมาว่ามันเหมือนกับต้นไม้ที่งอกอยู่ริมภูเขาขาดคือภูเขาเองมันก็จะพังอยู่แล้วแต่ต้นไม้ก็เกิดไปงอกในตรงนั้น เพราะว่าถูกลมพัดมามันก็พังลงไปได้ในตำนานตรงกันข้ามถ้าใจไม่โน้มเอียงไม่หนักไปในเรื่องอนั้นภาพข้างนอกก็คือภาพข้างนอกแต่ใจเราไม่กําหนัดเปิดเผยยินดีไม่กําหนดหรือไม่ยอมรับก็แล้วแต่การรู้ปฏิบัติจะอยู่ในขั้นตอนใดสรุปว่าเราไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องอนั้นเรื่องอดีตก็ให้ปล่อยไปเรื่องอดีตไปเรื่องอนาคตก็เป็นไปพราอะไรชีวิตเรายังไม่ถึงจุดนั้น แต่กระกนูตอยู่ที่ปัจจุบันรู้คุณรู้โทษในปัจจุบันก็สามารถที่จะบรรเทาผ่อนคลายจิตใจของตัวเองให้มีความรู้สึกเรื่องมากกิเลสพบาบางลงไปเพราะการลดกิเลสประเภทนิวรนยังทรงใช้กับ่าอสุภัสัญญาคือกำหนดเสื้อใหม่กําหนดเสื้อใหม่นั้นไม่ใช่ไปสร้างเรื่องใหม่แต่หมายความว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เขาแสดง แต่เป็นเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์ทางหลายต้องการจะให้เราตกเป็นทาสยกติดอยู่ในอารมณ์เ่านั้น<ๆ>ก็มีการปรุงแต่งประดับประดาขึ้นโดยวิธีการต่างๆแต่จริงๆสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ไม่ได้สวยพปงามอะไรเป็นเรื่องจิตเรากำหนดไว้อย่างหนึ่งเป็นเรื่องของการละเทศะประการหนึ่งเช่นสมมติเราของอร่อยมันเป็นการอร่อยช่วงสั้นๆก่อนหน้านั้นก็สขปรกปฏิกูลสารพัดดีกว่าจะ แปลสภาพมาเป็นอาหารที่ทรงกลิ่นหอมฉุยแล้วก็มีมรสน่ารับประทานมีสีน่าดูอะไรเนะี่ยแต่ลองต้องระเกะทว่ช่วงนั้นเป็นช่วงสั้นๆแลช่วงต่อไปก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นเริ่มจะมีกลิ่นจะมีสีในทางที่ไม่ดีเริ่มบูดเริ่มเน่าเริ่มน้าขยะขยะน่ารังเกียจแล้วก็แม้แต่ผ่านเข้าไปในท้องเราก็จะมีลักษณะอย่างกันเพราะช่วงหน้ารับประทานจึงเป็นช่วงนิดเดียวเป็นช่วงสั้นๆ รูปที่สวยก็จะมีลักษณะอย่างนั้นช่วงสวยน้ำก็มีช่วงนิดเดียวแต่ว่าช่วงที่ไม่สวยไม่งามที่แสดงความปฏิกูลนั้นก็มีมากกว่าไม่ว่าในช่วงอดีตหรือในช่วงอนาคตก็ตามเพราะการมองในแนวนี้ก็ต้องอาศัยการมองไปบ่อยเช่นเดียวกันต้องคิดไปบ่อยต้องนึกไปบ่อยสะสมความคิดแนวนี้ไว้บ่อย จ, จิตใจก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางตรงกันข้ามอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อมองเห็นในแง่ที่ไม่สวยไม่งามอยู่สม่ำเสมอไอ้ความอยากดูอยากลิ้มอยากชมไอเราจะเห็นว่าถ้าเราไม่ไม่รู้สึกว่ารูปสวยเสียงไพเราะผิวหนอมรส อ, อร่อยสัมผัส น, น่าจับต้องมันก็ไม่อยากดูอยากฟังอยากดมอยากลิ้มอยากจับต้องอะไรมันเกิดเป็นความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในจิตมีการสัมรวมระวังอินทรีย์มากยิ่งขึ้น ไม่จำเป็นจะต้องดูก็ไม่ดูไม่จำเป็นจะต้องฟังก็ไม่ฟังเป็นต้นแม้ฟังแล้วดูแล้วก็ไม่ได้ติดใจใส่ใ จ, ใจใ้ความสำคัญอะไรมากเกิดไปก็จะมีการประรความเพียรมากขิงเขนการรับประทานอาหารก็จะรับประทานถึงเพื่ออย่างอัตภาพไปเป็นไปไม่สุดโศงความเพียปรปัญยาที่จะใช้ไปต่า ง, างกายและจิตก็จะเพิ่มึ้นจิตใจก็จะมั่นคงอีกเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นแนวเขาเรียกว่าภาวนาคือแนวเพิ่มความดีในสุจิตใจก็จะมั่นคงขึ้นไปโดยดั่งดับแม้จะมีการยัวยุวยั่วนถ้าไม่แรงก็จะไม่หวั่นไหวถ้ายุ่ยุในลักษณะ ท, ที่เก้าร้าวรุนแรงก็จะมีความมั่นคงขึ้นจนถึงจุดหนึ่งที่เรกมมว่าไม่หวั่นไหวจริงๆที่พระพุทธเจ้าทรงอุ ป, ปมาไว้ว่าเหมือนกับภูเขาศีลาแท่งทึก แน่นอนจิตระดับภูเขาศิลาแท่งทึบนั้นไม่ใช่จิตสามัญชนคือจิตสามัญชนก็อยู่ระดับนั้นไม่ได้เพียงแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วอารมณ์ที่กระแทกกระทันจิตใจของบุคคลไม่ได้มีอยู่เสมอมันนานๆแต่ครั้งจะมีถ้าเสริมจิตใจเอาไว้ให้มีความแข็งแรงมากพอก็สามารถทนทานอารมณ์เหล่านั้นได้ในระดับหนึ่งจึ่งแน่นอนว่าก็เหนือปกติธรรมดาพอสมควร แต่ต่อเมื่อใดจิตใจตั้งมั่นจริ ง, รงๆแม้จะมีการกระแทกกระทันจากอารมณ์ภายนอกเป็นการกระตุ้นให้เกิดความกําลังกระเคลื่องใจก็จะไม่กําลังกระเคลื่องตามไปตึงหมายความว่าการสงบระ ง, งับลดละนิวรณ์นั้นก็สืบเนื่องมาจากพื้นฐานการทํารงชีวิตประจําวันแนัในชีวิตประจําวันเราเพิ่มเชื้อนิวรณ์ไว้มากการจเจริญกรรมาฐานก็สงบได้ยาก แต่ถ้าในชีวิตประจําวันมีการลดละผ่อนคลายไมให้นิวรนตกค้างอยู่ภายในใจมากเวลาจะเดิญกรรมฐานภายในจิตก็จะมีความสงบโน้มน้อมก็หาความสงบได้เรียวขึ้นถึงแสดงเห็นว่าในการปฏิบัติธรรมบางอย่างทรงใช้คำวมธรรมจรีหรือธรรมจารินีแล้ว ป, ประพฤติธรรมอยู่โดยปกติไม่ใช่วันนานประพฤติครั้งหนึ่งเพราะกิเลสมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันธรรมะก็เพิ่มขึ้นทุกวันได้เหมือนกัน ตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป